ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องไม่รอไม่หวังแต่เราทำโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ วันนี้คิดว่าอยากจะพูดถึงสโลกสามสโลกนะที่พ่อท่านให้ไว้ไม่รอไม่หวังแต่เราทำแล้วก็ระวังทำงานอย่าสร้างศัตรูแล้วก็ใจเจ็บไม่มีใครเจ็บใจคืออัตตาบ้าก็อาจจะพูดตั้งแต่ ต้นเหตุด้วยนะว่าที่มาถ้าจะมาจำไม่ผิดเนี่ยที่มาของไม่รอไม่หวังแต่เราทำรู้สึกว่าพอท่านจะไปประชุมที่ข้างนอกในหน้าที่อื่นเนี่ยเขานิมตนไปแบบไปสัมมนาไปอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา เสร็จแล้วก็ก็พูดไปอะอย่างการศึกษาอย่างของพวกเราอะ่ะพ่อท่านก็พูดก็อธิบายไปเน้นเรื่องของศีล น, นะศีลเด่นเป็นงานชาพิชานี่ยแหละก็เน้นเรื่องการศึกษาแล้วพวกที่เขามาประชุมพวกที่เข้ามาอะไรเขาก็โอ้เขาก็ช่วยยิ้ช่วยพูดช่วยอะไรเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เราก็รู้ๆอยู่อะ จากที่ผ่า น, านมาส่วนใหญ่ก็ช่วยยิดกันดีบางครั้งแต่พอถึงเวลาลงมือจริงๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำกันแค่เราเริ่มบอกว่าเน้นว่าครูต้องมีศีลก่อนเนี่ยแค่เน้นแค่ตรงนี้ก็เริ่มเขาเริ่มยุ่งยากเขาเริ่มลำบากแลเพราะนั้นมันก็เลยหลายๆอย่าง เพราะทานสรปเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาพ่อท่านก็เลยให้อันนี้แต่ในที่นี้เราก็มาพูดณนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เราสำหรับสรุไม่รอไม่หวังแต่เราทำในที่นี้ณนในคอลัมน์สิบห้านาทีกับพ่อท่านเขาก็มีเขียนขยายเพิ่มเหมือนนะว่า ไม่รอให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงเราแก้ไขเราเองให้สำคัญนั่นคือโดยปกติคนเราเนี่ยถ้าโดยโดยสามัญธรรมดาเลยใครๆก็อยากสบายถ้าให้ไปทำอะไรเนี่ยมันลำบากกว่าวันโดยปกติของคนเราอยากจะรอมากกว่าที่อยากจะทำยกเว้นคนขยันนะ คนขยันก็คงไม่พูดป้ามทําเพลงก็ทําเลยแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเรามักจะรอและอย่างน้อยก็นเนี่ยรอว่าให้คนอื่นออาอย่างเช่นนะให้คนอื่นอะไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนแปลงทีหลังเปลี่ยนแปลงตามคือเรามักจะรออย่างนั้น ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่หลักการอย่างของศาสนาพุทธถ้าหลักการของศาสนาพุทธเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างไงนะว่าว่าตนเป็นที่พื่ของตนใช่ไ้ยเราไม่รอหรอกคนอื่นเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็เรื่องของเขาสิแต่ตัวเราเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงอย่า ง, งน้อยๆนะอ่ะสมสมุติว่ามีสิ่งสองสิ่ง ถ้าสิ่งหนึ่งเหมือนเดิมอีกสิ่งหนึ่งก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นไหมมันก็ไม่มีถ้าปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมนันแหละมันไม่มีอะไรที่แปลกแตกต่างอะไรออกไปแต่อย่างน้อยเนี่ยในสองสิ่งนี้มีสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงแม้อีกสิ่งหนึง่งยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ตามเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยเมื่อสองสิ่งนี้ เอามากระทบกันหรือเอามาเจอกันอย่างน้อยๆคุณว่าจะเหมือนเดิมไหมอย่างน้อยๆต้องไม่เหมือนเดิมแนะ่เพราะอีกสิ่งหนึ่งนี่เปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งโดยเฉพาะเราพูดถึงคนนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รออะไรนะเราเองเราคิดว่าเราทำอะไรได้เราทำยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของความดีคือไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของ <c oughs> ความเลวความชั่วอะไรนะ ความเร็วความชั่วอันนั้นรอไว้ก็ได้แต่เรื่องของความดีเนี่ยผู้เจ้าสอนไว้ว่าอะไรถ้ามีความคิดดีเกิดขึ้นมาเนี่ยคิดที่จะทําดีเกิดขึ้นท่านให้ยังไงท่านให้รีบทําเพราะถ้าไม่รีบทําเป็นยังไงใจมันจะกลับไปเร็วใจมันจะกลับไปชั่ววันเนี่ยถ้าถ้าใครเข้าใจ อิทธิพลหรืออำนาจของกิเลส ข, ของคนเราวะจริงๆเนี่ยโอกาสสภาวะจิตของคนเราเนี่ยมันจะไปเร็วเนี่ยมันมากกว่าที่มันจะไปดีนะเพราะว่าเพราะว่าเรายังมีกิเลสบางทีเรายังมีเชื้อเก่ามีอะไรต่ออะไรอยู่เรียกว่าเราต้องสามารถทําจนกระทั่งมันเบาบางเบาบางเบาบา ง, บา ง, บางจนกระทั่งเชื้อของความดีเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเออไอกิเลสเราเบาบางลงไปแล้วเออถ้าอย่างนี้สิ มันก็จะมีผลกับเราน้อยละ่ะแต่ถ้าโดยปกติธรรมดาเนี่ยนะยกยกตัวอย่างคนเราเนี่ยไอ้ที่บางทีรอๆอรอรออร อ, ร อ, ร อ, รอมันสบายกว่ามันง่ายกว่าลงมือทำเนี่ยมันเหนื่อยกว่าแล้วบางทีก็ทำไปแล้วก็อาจจะยังไง คนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยิ่งทำดีนี่นะเผลอๆบางทีไม่รู้สิอาจจะโดนต้านหรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ชอบนักนะคนทำดีๆอ่ะบางทีเขาจะรู้สึกแปลกประหลาดเขาจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันขานแยงกับสังคมด้วยซ้าไปอืม ถ้าดีน้อยๆหน่อยเาก็คงไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาเราสิเริ่มจะมีปัญหาแล้วเพราะว่ายิ่งทำดีได้มากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งหมายถึงความห่างไกลใช่ไหมถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสมมติว่าเขาก็ไม่ถือศีลเขาก็ไม่ปฏิบัติธรรมเขาไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจเขาให้ดีขึ้น แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ดีขึ้นเรื่อยๆทำดีขึ้นทำดีขึ้นไม่ล้อละใครจะยังไงก็ช่างอ่ะฉันก็จะทำดีให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะห่างกันไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆไอ้ช่องว่างที่ห่างกันเรื่อยๆรื่อยๆเนี่ยบางทีมันเริ่มมีปัญหาละเพราะความเข้าใจก็ยิ่งยากขึ้นความเข้าใจยิ่งยากขึ้น ยิ่งเมื่อเขาไม่เข้าใจเนี่ยถึงบอกโอกาสที่เขาจะเข้าใจผิดไปเลยโอกาสที่เขาจะมองเห็นดีกลายเป็นเลวเห็นดีกลายเป็นพวกนี้ทำไปแล้วนี่เหมือนกับต่อต้านสังคมอะไรไปเลยมีได้มากวันทำเนี่ยมถึงต้องประมาณขนาดหนึ่งวันคนที่จะอะไรอะ ทำดีแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยเนี่ยมันถึงต้องมารวมหมู่รวมกลุ่มแล้วก็ทำดีในหมู่พวกที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับได้มันจะไม่ไม่ค่อยมีการต้านหรือว่าค้านแย้งอะไรแต่ถ้าคุณลองไปทำสิยิ่งคุณลองไปทำในดงอใบยมุกมันนะโอ้โหคนเขาชนิดเรียกว่าเขี่ยวงอก เกี่ยวลากดินทั้งนั้นเลยนะรุ่มหลงติดในอยมุข ค, คุณไปทาตัวอะไรนะพ้นอัปยมุขแล้วไปอยู่ในเขาอ่ะแสดงความคิดเห็นไ่อะไรต่ออะไรระวังฮะร อ, อดออกมาได้กับบุญ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้พูดให้ฟังในแง่ถึงว่าเราไม่รอนะว่าคนอื่นเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมแต่เราเนี่ยจะแก้ไขแก้ไขใครแก้ไขเราเอง ให้สําคัญไม่ใช่ว่าไม่รอคนอื่นจะเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็คิดจะแก้ไขคนอื่นเขาอันนี้มันยากไอ้แก้ได้มันดีนะแต่มันยากยิ่งบอกแล้วถ้ายิ่งเขาไม่ค่อยเข้าใจเราเลยเนี่ยเขายังไม่ศรัทธาเขายังรับเราไม่ได้โอ้โหคุณยิ่งจะไปเปลี่ยนแปลงเขานี่ลำบากมากๆเลยวันก่อนอื่นเนี่ยาศาสนาพูดถึงเน้นกลับเข้ามาว่าเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง ใครยังไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยจะมีตนเป็นที่พึ่งของตนเราคิดดีอะไรขึ้นมาได้นี่เราก็จะทำดีของเราทันทีเลยเท่าที่เราเนี่ยจะมีความสามารถใครมีความสามารถมากก็อาจจะทำดีได้มากหน่อยนี่แหละแล้วก็ลดละไอ้เรื่องของกิเลสต่างๆชีวิตความเป็นอยู่หลับนอนอะไรต่างๆของเราลดละได้แล้วก็ลงมือเลย นานก็ประมาณตัวเองว่าเราสามารถจะลดละได้ขนาดไหนนะแล้วแต่อินทรพละของคนนั้นซึ่งใครทําได้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของคนนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่รอเสร็จบางคนไม่รอก็จริงแต่พอไม่รอนี่ชอบหวังกิเลสคนเราเนี่ยจริงนะเราไม่รอนะม็นจะมีคนมาช่วยไหมอะไรต่ออะไรไหมเราไม่รอ ลงมือทําเลยแต่มันอดไม่ได้กิเลสของเราเนี่ยมันก็ยังหวังหวังว่าเดี๋ยวทาไปสักพักคงจะมีคนมาช่วยหรือทําไปสักพักแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแบบว่าอะไรอ่ะอาจจะคนนั้นคนนี้รู้ข่าวอา่นะหรืออาจจะเห็นใจนะหรืออาจจะมาอะไรอ่ะช่วยเหลือซึ่งอันเนี้ย หนีไม่พ้นเลยกิเลสคนเรามันอดไม่ได้อาตมาบอกได้เลยว่าคุณอย่าเผลอคุณเผลอเมื่อไหร่กิเลสตัวนี้ทํางานทันทีคือมันจะสร้างความหวังตลอดกิเลสตัวนี้สร้างความหวังตลอดเพราะว่าชีวิตของคนเราปกติที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับ ว, ว่ามีความหวังเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตลอดคุณจะดูหนังดูละครคุณจะฟังเพลงคุณจะอะไรก็แล้วแต่ในโลกเนี่ย เขาอยู่ได้เพราะเขาบอกว่าต้องมีความหวังซึ่งจริงๆมันก็ถูกส่วนหนึง่งนะมันถูกส่วนหนึง่งแต่มาถึงพูดบ่อยว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าจะหวังอะไรเนี่ยต้องหวังแบบไม่หวังนะถ้าจะหวังอะไรวิะพจาท่านกลับสอนทํานองนี้ถ้าจะหวังอะไรเนี่ยต้องหวังแบบไม่หวังเพราะ คนเราเนี่ยถ้าหวังอะไรจะมาถามคุณหน่อยมีใครไหมทำอะไรแล้วหวังเจงมีไหมคงไม่มีะนะยังไงก็ทำอะไรก็หวังว่าจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมแหมจะอย่างนั้นจะอย่างนี้แหมจะได้ดิบได้ดีหรือว่าจะอะไรอ่ะอาจจะบางทีไม่ใช่ลาบก็ได้นะอาจจะเป็นยศหรือเป็นสรรเสริญก็ได้ อย่างน้อยทําไปแล้วคิดว่าเอออย่างน้อยๆคนเขาก็คงจะชื่นชมหรือเขาจะยกย่องอดไม่ได้หรอกกิเลสคนเรานันมันยังติดอยู่กับโลกธรรมซะส่วนใหญ่เพราะในที่สุดเนี่ยวังจนได้แหละเพราะถ้าใครเนี่ยไม่มีสติพอแล้วไม่ค่อยจะเตือนใจตัวเองให้ดีๆหวังทั้งนั้นมายืนยันได้เลยหวังแทบทุกคนถึงบอกว่า คุณขาสติคุณเผลอเมื่มอไรนะ่ะปั๊บไปละทันทีเลยบันทีเนี่ยวันเนี้ยเช้าเ น, นี้ยสมมุตินะสมมุติสถือว่าเป็นเวลาเชา้ชาเช้านี้เดินมากะว่าเดี๋ยวจะมาตักข้าวไปกินบางทีแค่นั้นนะ่ะแค่เดินมานี่นะคิดไปแล้วอืมแหมวันนี้เขามีแจกลงบุญเขามีไอ้นั่นไอ้นี่แหมไหมมันน่าจะมีไอ้ไนายเอาแล้วไปละกิดมันไปละมันเริ่มไปละ หวังไว้แล้วมันล่วงหน้าไปก่อนแล้วไม่รู้ตัวเลยนะแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับแหมมีความสุขดีนะอันเนี้ยที่มันมันยากตรงเนี้ยเพราะคนชอบมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราหวังอะไรไว้เนี่ยแหมมันรู้สึกมีความสุขจะได้มีไฟในการจะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จให้ลุล่วงไป บอกโอ้โหถ้าไม่ให้หวังอะไรเลยก็เหี่ยวหมดใจเจยเนยีเพราะฉะนั้นบอกโอ้ถ้าไม่ให้หวังอะไรเลยนี่มันไปทําไปทําไม <c oughs> อัตบานถึงบอกว่าอย่างน้อยมันไม่แคล้วอะ่ะอย่างน้อยก็รู้สึกว่าโอ้โหเราได้ทําดีนะอย่างน้อยทําไปเนี่ยเราขยันอย่างเงี้ยอย่างน้อยเพื่อนฝูงก็นคงเห็นนะคงได้ชื่นชมมั้งนะ อะไรอย่างเี้ยอดไม่ได้หรอกอันนี้สำรวจได้จะรู้ว่าคุณหวังไหมเนี่ยคุณต้องตอนเพื่อนติเอาเพื่อนว่าเอาแล้วคุณจะรู้ว่านั่นเนี่ยแสดงว่าคุณทำแล้วคุณยังหวังอยู่อ่ะถ้าคุณไม่หวังจริงไงคุณทำไปเนี่ยคุณโดนติคุณโดนว่าคุณไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกอ่าจริงๆเพราะว่าคุณไม่ได้ ไปหวังอีกมุมหนึ่งเอาไว้ไงคุณไม่ได้ไปหวังแต่มุมบวกเอาไว้ไงใช่ไหมถึงบอกว่าถ้าใครจะหวังอะไรเนี่ยต้องหวังแบบไม่หวังคืออย่าคิดเห็นแตกแก่ได้อย่าคิดแต่มุมบวกคนเดียวทั้งๆที่สภาพความจริงคุณไปทําอะไรก็ช่างเหอะในชีวิตนี้มันอนิจจงมันไม่เที่ยงอยู่แล้วอมันเป็นได้ทั้งสําเร็จก็ได้ผิดหวังก็ได้อะ มไม่สมใจคุณตลอดหรอกนมาก็เคยพูดบ่อยๆด้วยบอกเคยท้าว่าเอานี้คุณลองไปสํารวจนะในแต่ละวันให้คุณบันทึกไว้เลยระหว่างความสมหวังกับความพลาดหวังคุณไปคอยเช็คนะคุณคอยมีสติเอาไว้นะคุณไปคอยบันทึกไว้เลยนะว่าเรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้ไม่สมหวังอีกแล้วเอาเรื่องนี้เออเรื่องนี้สมหวังสมหวังอ่าให้คุณไปเช็คเลยในแต่ละวัน แล้วรับรองเลยส่วนใหญ่อะเดี๋ยวกูจะเห็นออกมาเองว่ายังไงก็ตามส่วนใหญ่ไอ้เรื่องที่เราไม่เป็นไปดั่งใจเราเนี่ยที่ไม่สมหวังจะมากกว่าเรื่องที่สมหวังเนี่ยชีวิตในแต่ละวันมันถึงบอกตรงเนี้ยถ้าใครเข้าใจได้นะไอ้คำว่าไม่หวังเนี่ยเนี่ยให้ในนี้เขาบอกว่าไม่หวังให้ทุกอย่างสมใจเรา ช่วยคนอื่นเท่าที่สุดกําลังสามารถยิ่งช่วยคนอื่นแล้วก็คุณเ อ, อ้ยยิ่งหนักข้อใหญ่เลยเวลาช่วยคนอื่นทีไรเนี่ยไม่แคล้วหรอกบางทีเราก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะก็พูดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนฝูงอะไรก็ช่วยช่วยกันไปแต่คุณเชื่อไหมคุณบันทึกไว้แล้วนะอย่างวันนี้ช่วยไอ้นี่ไว้ถ้าเกิดพรุ่งนี้นะเจ้าคนนี้เนี่ย ปรากฏว่าเกิดทําให้เราไม่ถูกใจนะโอ้โหคุณจะเห็นเลยคุณจะขึ้นเลยขึ้นหนักกว่าปกติด้วยแล้วทันทีเลยนะไอ้เรื่องเมื่อวานนี้มาทันทีเลยนะเมื่อวานดูศาสตช่วยนะเนี่ยวันนี้ดูซิดูที่มันเล่นงานเราได้เนะี่ยทันทีเลยแล้วคุณจะรู้ว่าเห็นไหมนเนี่ยคุณหวังไปแล้วแต่คุณคุณไม่เคยสํารวจจิตตัวเองแล้วคุณไม่รู้ตัวทางหา่างว่าคุณหวังไปแล้ว พระอาตมาถึงบอกต้องมีสติจริงๆคนไม่มีสติคอยเตือนจริงๆเนี่ยรับรองได้เลยว่าคุณหวังทุกเรื่องแหละที่คุณทำอะไรไปคุณหวังทุกเรื่องบางคนเนี่ยแค่เดินมาดูทีวีดูหนังเนี่ยาทียังหวังเลยว่าจ ะ, จะได้ดูเรื่องสนุกๆได้ดูเรื่องที่สมใจเราดีพอนั่งแมมก็หน่อยดูโอ้ ไม่ตรงเทสเลยคือไม่ตรงรสนิยมเลยบางคนนี่อาการมากนะอาการหนักดูไปได้ดีเดียวแค่นี้เนี่ยไม่ไหวไม่ดูลุกไปเลยเพราะว่ามันผิดหวังไยไม่ผิดหวังอาการมันเกิดให้เห็นเนี่ยยกตัวอย่างไ อ, ไอ้ธรรมดาง่งงายๆนี่แหละแต่อาจารมาบอกแล้วถ้าคุณไม่เคยไปจับอารมณ์จิตและคุณไม่เคยสังเกตคุณไม่รู้หรอกว่าเนี่ย ทั้งเรื่องรอทั้งเรื่องหวังเนี่ยคุณมีอยู่เรื่อยเลยตลอดเวลาเลยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยไปจับจิตมันจริงๆเท่านั้นเองแล้วที่ทุกแล้วก็ที่ปิดหวังกันทุกวันนี้ก็เพราะชอบรอแล้วก็ชอบหวังนั่นแหละมันถึงได้ต้องทุกทุกวันเนี่ยว่าถ้าใครเนี่ยไม่รอจริงนะแล้วคุณไม่หวังจริงๆนะรับรองได้ทุกคุณจะลดลงไปเรื่อยเลยจะลดลงไปเรื่อยเลย ยิ่งเนเนี่ยยิ่งแต่เราทำใช่ั้มมันจะบอกล้วตนเป็นที่พึ่งของตนยิ่งจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนแบบโอ้โหกระด้างนะยะโสนะข่าวนี้แฉใครจะอะไรยังไงนี่ช่างมันฉันไม่แคร์จะไม่อย่างนั้นเลยจริงเราไม่รอเราไม่หวังแต่เราทำเนี่ยแต่ว่า เราเข้าใจเข้าใจว่าเออมีคนมาช่วยก็ดีสิใช่ไหมทำไมจะไม่ดีอ่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราเนี่ยอยู่กับหมู่พวกเพราะนั้นอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าแต่เราทำหัวใจของเราให้หนักแน่นอดทนมีศรัทธาชัดเจนในพ่อท่านและหมู่กลุ่มเพราะเราจะมาเป็นคนดีที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะนั้นน่ะไอ้ที่เราทำเราทำเราทำเนี่ยนะมันจะมีทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือเราก็ได้ลดละกิเลสเราลงมาด้วยบอกแล้วไอ้ตัวไม่รอไม่หวังเนี่ยมันเป็นการลดกิเลสลดกิเลสตัวโลภลดกิเลสตัวอยากให้เป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้สมใจ เนี่ยมันจะลดกิเลสพวกนี้ลงแ ล, แล้วพอลดกิเลสตัวนั้นลงก็ไม่ขี้เกียจ ด, ด้วยก็มีความขยันที่ว่าเอ้ยเราทำบางทีนี่มองซ้ายมองขวาอ้างว้าง <c oughs> <c oughs> นาเดียวดายเอาไม่เป็นไรเราทาเรื่องพวกนี้ต้องฝึกจริงๆนะคุณถ้าคุณไม่ฝึกจริงๆเนี่ยคุณคุณ จับสภาวะไม่ได้หรอกแล้วคุณก็จะปรับสภาวะไม่ได้ด้วยอรตมมาเคยเล่าให้พวกเราฟังมีอยู่ปีไหนไปล่ะที่ธรรมมาเคยเป็นสมภารเสร็จแล้วแตก่อนเนี่ยอตรงนนเนี้ยแหละใเนี่ยตรงที่เขาตั้งโต๊ะอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ก่อนมันมันพื้นมันยังไม่ค่อยดีเขายังไม่ได้มาปูอิดอะไรพวกนี้นะเสร็จแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าจะเออจะปรับพื้นให้มันดีก็ประกาศ ประกาศไปก่ อ, อกแล้วอะไรไปก่ อ, อกแล้วอุตสาธรรมาก็อุตสาไปขนจอบขนปุ้งกีขนอะไรมาเตรียมพร้อมนะในที่สุดเอประกาศไปตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมาทุกคนธรรมาก็ตัดใจมาช่างมันเนี่ยเราก็ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่มันมีเมื่อกันอนแวบบแบบ โอ้เรานี่ไม่มีบาร ม, มีเลย <c oughs> นี่นี่ไอตัวน้อยใจมันจะมานะถ้าคุณคุณจะต้องจับให้ทันไอตัวน้อยใจมันจะมาบอกว่โหเราเนี่แม้ไม่เหมือนหลวงตานะบุญหนกักบุญ <c oughs> เออมีคนมาช่วยดีฮรับไอเราประกาศไปทีหนึ่งไแล้วสองทีก็แล้วเงียบกริบแต่หลังอาจจะมากเลยเออทําเอง <c oughs> ก็เอาโกย โกยเองโกยหินมาเสร็จแล้วก็เอามาเทเองก็ทำไปได้สักพักหนึ่งอะ่ะปรากฏว่าจำได้ว่าเอาคุณพ้นน้ำอะ่ะคุณเป็ดอะ่ะคุณเป็ดพ้นน้ำแกเดินผ่านมาแกเห็นข้าบอกอา้าวไม่ท่านทำอยู่คนเดียวอะ่ะเสร็จแล้วก็เลยแกก็เอ๊จริงๆแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะ แกก็รู้สึกว่าทันทีเลยนะแกก็เอ้มันน่าหน้าหน่าจะมาช่วยทําำ嘛นะแกก็เลยมาหยิบหยิบจับจับบ้างแต่จริงๆอาตมาว่าแกก็ไม่ค่อยไหวแล้อาตมาก็เลยบอกบอกแกบอกว่าอาอไม่เป็นไรหรอกสุขภาพยังไม่ค่อยดีไม่เป็นไรอืมแต่แกก็เห็นอาตมาทําอยู่คนเดียวแกก็เลยอยากจะช่วยแล้วอาตมาก็ไม่รู้นะว่าในที่สุดแกอาจจะเที่ยวตามหาคนอื่นก็ได้ แล้วให้คนอื่นมาแต่หลังก็เออค่อยๆมีคนทยอยมาแล้วก็มาช่วยกันทาแต่หลังก็หลายคนกินอันนี้ยกตัวอย่างจากของจริงให้เห็นว่าขนาดว่าเอาละเราตัดใจเลยว่าเราทํำละไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจอะ่ะจะมีคนมาช่วยเพิ่มไหมเรื่องของเขาแต่เราทําได้เราคิดว่าเราก็าโงยบุญของเราอะ่ะนะทาเต็มที่ แต่ก็ระวังโกยมากไปก็แย่เหมือนกันเนี่ยเหมือนขราวเนี่ยที่อาตมาป่วยไว้นี่โกยบุญมากไปไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอื่นนะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอื่นนะเพียงแต่ว่าทำอาตมาบอกขยันเกินไปหน่อยนะใช้ความเพียรมากไปหน่อยตอนนั้นพยายามเต็มที่เลย ทั้งเรื่องประชุมทั้งเรื่องงานต่างๆทั้งกิจวัตรทั้งทำวัดอะไรต่างๆโอ้พยายามเต็มที่เลยมันเลยโหลดมากไปนี่เลยปุ๊บไปเลยนี่นี่เกือบเดือนแล้วนนเนี่ยโอ้พักยาวเลยเพราะอันนี้ก็ให้ดูสังขารตัวเองด้วยหมอเขาก็บอกอาตมาท่านท่านท่านน่ะขึ้นเลขห้าสิบแล้วนะ มีแต่ซุดลงไปเรื่อยๆนะท่านอาตมาก็เลยยกมือโบกเลยอาตมาบอกว่าเอออาตมายอมรับไม่ได้นะ <laughs> ยกมือบอกว่ายอมรับไม่ได้นะอันนี้ตัวเลขยอมรับไม่ได้อาตมายังรู้สึกว่าเอ้ยไม่แก่เลยรอย่างนั้นหรอกเพียง <F ear th> แต่ว่าเราโหมมากไปหน่อยแล้วพอดีก่อนมหาปราณาเนี่ยงานมันก็เยอะแล้วก็มันเร่งร้อนไอ้นนไอ้นี่ไอ้นั่ น, น <S 2> <S 2> <S โอ้ มันเข้ามายุ่งเหยินวุ่นวายไปหมดนะก็เลยป่วยง่ายไอตอนทําก็ทําได้นะแล้วก็เดินเครื่องเต็มที่จนนั่นแหละก่อนจะไปมหาบประมาณมาอ่ก่อนจะไปมหาป ร, ราราสักสามวันได้มึงถึงได้โอโหคราวนี้ไม่ไหวแล้วสุดเลยคราวนี้ลงเลยเรียกว่าลุกไม่ไหวแล้วคราวนี้ ก็เปียเพียะไปเลยนะอ้าวอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าก็ระวังก็ต้องประมาณให้ดีถ้าอะไรที่มันเกินประมาณมันก็เป็นโทษภัยเป็นผลเสียได้เหมือนกันนะอา น, นี่สำหรับโสโนะไม่รอไม่หวังแต่เราทำโดยเฉพาะคำสุดท้ายเนี่ยนะที่บอกว่ามีศรัทธาชัดเจนในพ่อท่านและหมู่กลุ่มเพราะเราจะเป็น เราจะมาเป็นคนดีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นตรงแยกเวลาพูดก็พูดง่ายอย่างนั้นนะ่ะศรัทธาพ่อท่านศรัทธาหมูคุมแต่อพอไม่สมใจขึ้นมาแล้วเอาแหละไม่รู้ศรัทธาหายไปไหนนะทั้งเถียนทั้งบางทีโอ้โหไม่ยอมแล้วเขาเนี้ยมันศรัทธานี่ต้องชัดนะถ้าสายศรัทธาจริงๆเนี่ยถึงแม้เขาจะแบบบางที อึดอัดขาดเครื่องบ้างไม่ถูกอกถูกใจบ้างไม่พอใจบ้างนี่เขายังเคารพนะเคารพครูบาอาจารย์เคารพหมู่กลุ่มนะยอมสายศรัทธาเนี่ยยอมแม้จะยอมแบบบางทีสมถะบ้างยอมแบบกดข่มบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่ยอมจริงๆโอ้เชื่อเลยสนะายศรัทธาไอ้พวกเราเนี่ยที่มันยอมไม่ค่อยได้หรือยอมไม่ค่อยเก่งเนเพราะว่ามัน มันไม่ค่อยจะสายศรัท ธ, ธาสักเท่าไหร่ ก, ก็มีตัวศรัท ธ, ธานะี่แต่มันศรัท ธ, ธานโน้มมาจากทางปัญญาซะมากมันไม่ใช่ศรัท ธ, ธาในเชิงของเจโตในเชิงของสมถะเาะนันก็เลยเถียงเก่ง <c oughs> <c oughs> น้าชาวโศมเนยเถียงเก่งแต่ก็ยังว่าละมันก็เป็นไปตามทิศทางของอโศกเราเพราะว่าเราก็ไม่สอนแบบสมถะแบบนั้น เราสอนให้มีปัญญาให้รู้จักคิดให้รู้จักแสดงความคิดเห็นว่าก็อดไม่ได้หรอกในที่สุดก็เถียงแต่ก็เถียงนี่จริงๆเถียงได้นะแต่เถียงแล้วควรจะรู้จักหาที่จบเถอะบ้างไอ้เรื่องของเรื่องที่มันจะหนักเนี่ยคือเถียงแล้วไม่ยอมจบบางทีเนี่ยต่อให้ที่ประชุมเขาโหวตเขาตกลงกันไปแล้วเนี่ยนะมันควรจะจบได้ลว อาที่ประชุมเขาสรุปแล้วเอาอย่างนี้แหละแต่ปากบว่าสมมติว่าชนะมันไม่มีปัญหาใช่หมหยแต่ที่ถ้าแพ้เนี่ยจริงเราก็ต้องยอมหมูแหละโดยโด ย, โดยรูปนอกก็ยอมหมู่แต่ใจมันไม่ยอมใจมันไม่ยอมเพราะฉะนั้นน่ไม่จบหรอกพวกที่ใจยังไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปปรุงไปคิ ด, น, คดนู่นคิดนี่ ถ้าใครคิดมากๆเขาอดไม่ไหวก็เริ่มไปหาพวกแล้วนะไปพูดกับคนนั่นไปพูดกับคนนี้ก็ค่อยหาพวกแล้วค่อยๆหาพวกเพื่อฟุกเพื่อฟุกเดี๋ยวจะได้มาเสนอใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นนหละจริงๆบางทีถ้าถึงขั้นโอ้โหเข้าหมู่กลุ่มแล้วนะวก็บวกจนแล้วอะไรกันออกมาแล้วเนี่ยหัดจบบ้าง